เจริพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่องสายในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิต ย, ย์ที่28เมษายนพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทหลายมีวันละว่างจากภานะกิจการงานต่างๆ เจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการทําบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฝังเท็จฝังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขและความเจริญของจิตใจการที่เราจะพัฒนาจิตใจของเรา ให้สุขให้เจริญง่ายนะั้นสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพาอคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราถ้าเราไม่มีคู่มือเราก็าจะทำแบบผิดๆถูกๆ ผลที่เราควรจะได้รับก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้เราเกิดความเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้พระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติวันธรรมัรสวนณะแปลว่าวันฟังธรรมเพื่อให้สาธุชนได้มีเวลามาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษาพระธรรมคำสอนมาดูแนวทางของการพัฒนาชีวิตจิตใจของตนให้เจริญให้มีความสุขให้อยู่ห่างไกลความทุกข์และความเสื่อมเสียทั้งหลายการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าจะได้ รับประโยชน์ถึงห้าประการด้วยกันคือ 1. จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอได้ฟังซ้าอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นสามจะกำจัดความสงสัยให้หมดไปได้สี่จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้อง ถ้าจะทำให้จิตใจผ่องใสมีความสุขนี่คืออนิสสมของการฟังเทศฟังธรรมห้าประการด้วยกันการจะฟังเทศให้เกิดอนิสสมนี้ก็จาเป็นจะต้องมีความสงบกายสงบวาจาและสงบใจเป็นเป็นผู้รับรอง เป็นผู้สนับสนุนควาสมสงบกายสงบวาจาเรียกว่าศีลควาสมสงบใจเรียกว่าสมาธิถ้ากายวาจา ย, จายสงบแล้วเวลาฟังเทศก็จะเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาได้ดังนั้นเวลาฟังเทศฟังธรรม ขอให้เราปล่อยวางภารกิจต่างๆไปให้หมดก่อนเช่นตอนนี้ไม่ควรจะทำอะไรไม่ต้องไปจัดข้าวจัดของเพื่อที่จะเอามาถวายตอนนี้ไม่ใช่เวลาทำอะไรเวลานี้เป็นเวลาให้นั่งเฉยๆไม่ให้พูดคุยกันแล้วใจก็ต้องไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆ ใจต้องจดจอ่อเฝ้าอยู่กับการฟังเพราะถ้าเราไม่ได้ฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบทำที่เราได้ดินจะไม่เข้าไปในใจเมื่อไม่เข้าไปในใจก็จะไม่เข้าใจก็เหมือนกับไม่ได้ยินได้ฟังได้ยินก็แบบเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปจําอะไรไม่ได้เลย ไม่เข้าใจอะไรเลยฟังแบบนี้ท่านเรียกว่าบอกว่าท่านเรียกว่าฟันแบบทับพีในหม้อแกงทับทีนี้จะไม่รู้ลิดรู้รสของแกงต่อให้ทับทีนี้ใส่ไว้ในหม้อนานสักเท่าไหร่ก็ตา่างใส่ไว้ในแกงนานสักเท่าไหร่ก็ตางทัพทีจะไม่มีรู้ไม่มีวันรู้เลยว่าแกงนั่นเป็นแกงชนิดใด ไม่เหมือนกับลิ้นกับแกงเวลาลิ้นสัมผัสกับแกงเพียงหยดสองหยดก็จะรู้ทันทีเลยว่าแกงนี้เป็นแกงชนิดใด อ, อร่อยหรือไม่การฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้ได้ลิ้นรถพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันจำเป็นต้องฟังแบบลิ้นกับแกงอย่าฟังแบบทับทีในหม้อแกง ฟังแบบทัพอีหรือ่าแกก็คือขนาดที่ฟังก็ร่างกายก็ทำอะไรไปแล้วก็วาจาก็พูดคุยกันคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ใจก็ไม่ได้อยู่นิ่งสมงบใจก็มัมแต่คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ฟังแบบนี้ฟังไปจนตายก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะว่าใจไม่ได้ฟังนั่นเองฟังแต่ร่างกายฟังแต่หูเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปแต่ใจไม่รับรู้เลยว่ากำลังฟังอะไรอยู่เพราะใจหนวแต่ไปรับรู้กับสิ่งที่กำลังทาตามทางร่างกายสิ่งที่กำลังพูดคุยกับคนนั้นคนนี้อยู่การฟังเทศฟังธรรมแบบนี้ ไม่เกิดประยและไม่ควรกระทําเวลาที่มีการฟังเทศฟังธรรมกันเพราะการกระทําของเราจะไปรบกรวนความสงบของผู้อื่นได้จะทําให้เกิดความรำคาญจะทําให้จิตใจของผู้ฟังไม่จดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมและจะทําให้ผู้แสดงไม่สามารถแสดงธรรมได้อย่างต่อเนื่อง เริ่จากมีเสียงรบกวนต่างๆเข้ามาการฟังธรรมจึงต้องฟังด้วยสียงคือกายวาจาที่สงบนิ่งฟังด้วยสมาธิคือใจที่สงบนิ่งไม่คิดปูนแต่จดจ่อลับฟังเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหูแล้วก็ส่งเข้ามาที่ใจ ถ้าฟังแบบนี้ก็จะได้อนิสงส์ต่ตางๆเช่นจะเกิดความเข้าใจดีขึ้นจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นจะกําจัดความสงสัยให้หมดไปได้จะทําให้มีความเห็นที่ถูกต้องจะทําให้ จิตใจปลองใสมีความสุขมีความสงบนี่คือการฟังธรรมที่เป็นมงคลต้องฟังแบบกายวาจาใจที่สงบฟังแบบลิ้นกับแกถ้าฟังแบบทับทีในหม้อแกเรียกว่าไม่เป็นมงคลเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียเวลาไปเปละะ่าๆบางท่านเวลาฟังเทศฟังเทว มักจะหาเสาหากาแพงไว้นั่งพิงพอพระท่านเริ่มเทศคอก็พับหลับตาอันนั้นแสดงว่าเข้าสู่ภวังหลับแล้วไม่รับรู้เรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเลยนี่เรียกว่าฟังแบบเป็นพิธีฟังด้วยกระน้างกายก็ไม่ได้ฟังใจก็ไม่ได้ฟัง แต่มีภาพของการฟังเทศฟังธรรมอยู่เท่านั้นญาณโยมสาธุชนจึงไม่ค่อยได้บรรลุถันกันในสมัยนี้เพราะไม่ได้ฟังตามหลักธรรมที่ควรจะฟังกันนั่นเองถ้าฟังตามหลักธรรมคือฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบโอกาสที่จะบรรลุธรรมในขณะที่ฟังนี้ ย่อมเป็นไปได้อย่างแน่นอนเหมือนในสมัยพระพุทธกาศที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาในแต่ละครั้งนี้จะ ม, มีผู้ฟังรับฟังไปแล้วบรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมากหน่อยทรงเคยแสดงให้แก่นักบวชในสำนักหนึ่งมีประมาณอยู่ห้าร้อยรูปด้วยกันพอแสดงรธรรมเทศนาเสร็จ นักบวชทั้งห้าร้รูปนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอาหันตเลยเพราะนักบวช น, นี้เขามีศีลอยู่แล้วเขามีกายวาจาที่สงบเขามีสมาธิอยู่แล้วใจเขาไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่ฟังเขาฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยการพิจารณาไข้ควรพิจารณาตามเหตุตามผล ที่ผู้แสดงได้แสดงเอาไว้พอได้ฟังแล้วพิจารณาตามก็จะเกิดความเข้าใจก็จะสามารถปฏิบัติตามที่ผู้แสดงได้แสดงไว้ได้อย่างครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมศาสตร์พระธรรมเทศนาให้แก่พระปัญจวัคคีพอทรงแสดงเสร็จ หนึ่งในพระปัญจารวคีก็มีดวงตาเห็นธรรมเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเกิดความเห็นที่ถูกต้องเกิดปัญญาทําให้บรรลุธรรมบรรลุปเป็นพระโสดาบันขึ้นมาทำที่ทําให้พระ อ, อัญญาณโกนตัญญะบรรลุปเป็นพระโสดาบันขึ้นมานี้คืออะไร ก็คือพระ อ, อริยสัจสีนี่เองที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้พระองค์ทรงแสดงว่าทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายผู้ใดมเมื่อมาเกิดแล้วมีร่างกายแล้วร่างกายของผู้นั้นก็จะต้องแก่ไปตามลำดับแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ปวดไปตามลำดับ แลงวในที่สุดก็จะต้องตายไปในร่างกายเมื่อตายไปแล้วก็สลายไปกลายเป็นดินไปน้าก็ละละเหยไปอากาศก็หมดไปความร้อนคือไฟก็หมดไปร่างกายนี้ความจริงไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้เป็นใครทั้งนั้นเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่ง ที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟผู้ที่มาเชิดร่างกายอันนี้ซึ่งเป็นเหมือนหุ่นนี้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่สามารถทำอะไรด้วยตนเองได้ต้องมีผู้มาสั่งการผู้ที่สั่งการก็คือใจใจคือผู้รู้ผู้คิด เช่นเวลาวันนี้เราคิดว่าจะมาวัดกันเราก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาวัดกันถ้าผู้คิดผู้รู้ไม่คิดสัมการเช่นตอนนี้ยังนอนหลับอยู่ร่างกายก็จะไม่สามารถเดินทางมาที่วัดได้ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าผู้เชิดหุ่นคือใจกับหุ่นคือร่างกายนี้ เป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกันผู้เชิดคือใจนี้เป็นผู้ที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นผู้ที่ไม่มีวันแก่ไม่วันไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายก็ไม่มีรูปร่างนั่นเองเป็นเหมือนความว่างเป็นเหมือนลมอย่างนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีเกิดไม่มีดับ แต่ผู้ที่มีเกิดมีดับก็คือร่างกายแต่ใจผู้ที่มาเชิดร่างกายนี้ไม่มีความเห็นที่ถูกต้องมีความเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นว่าร่างกายเป็นผู้เชิดเป็นใจเสียเองพอร่างกายเป็นอะไรไปผู้เชิดคือใจก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเกิดความทุกข์ กับความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาเพราะต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองนี่คืออะไรแล้วสัว์ข้อที่สองคือต้นเหตุของความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องใช้ความจริงเข้ามาแก้ แก้ความหลงแก้ความเห็นผิดเป็นชอบก็ต้องสอนให้ใจรู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นใจเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายนี้ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปด้วยใจไม่ต้องไปตกใจไปวุ่นวายกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย พอไม่สามารถไปยับยังไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้นั่นเองต้องปล่อยร่างกายไปตามความจริงของเขาไม่ต้องกลัวเราไม่ได้ตายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอพิจารณาเห็นความจริงอันนี้ก็จะหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ พอหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่ตายได้ความทุกข์ทรมานใจความหวาดกลัวก็จะหายไปใจก็จะสงบเย็นเป็นสุขไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจะไม่มีความเดือดร้อนเลยนี่คือสิทธที่เพื่อพระอา ญ, ญาญโกนทัญยะเห็นและบรรลุได้ท่านปลงได้ท่านหยุดความอยากได้ ท่านปล่อยวางร่างกายได้เพราะท่านมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิฟังแล้วก็ยังปล่อยไม่ได้เช่นพวกเราตอนนี้ฟังแล้วรู้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรารู้แล้วว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตายแต่เรายังปล่อยร่างกายไม่ได้เรายังกลัวความแก่ยังกลัวความเจ็บยังกลัวความตายอยู่ กเพราะว่าใจของเราไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาันนเองคำว่าอุเบกขาก็คือใจเป็นกลางใจไม่รักไม่ชังไม่เหลงไม่ยึดไม่ติดใจอยู่เฉยๆเหมือนร่างกายจะเป็นอะไรใจก็ไม่ไปวุ่นวายด้วยถ้าเรามีสมาธิเราจะสามารถปล่อยวางร่างกายได้ เพราะถ้าเราไม่ปล่อยใจของเราก็จะทุกขึ้นมาจะกลัวขึ้นมาซึ่งเป็นอันตรายต่อจิตใจอย่างยิ่งความทุกข์ความกลัวนี้เป็นภัยต่อจิตใจแต่ความตายของร่างกายนี้ไม่ได้เป็นภัยกับจิตใจแต่อย่างใดถ้าใจรู้จักปล่อยวางรู้จักทาใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้ ดังนั้นถ้าเรายังไม่สามารถบรรลุได้ก็แสดงว่าใจของเรายังไม่มีอุเบกขายังไม่วางเฉยยังไม่สักแต่ว่ารู้เฉยๆเรารู้แล้วเรายังไปยึดไปติดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่เราจึงต้องมาฝึกสมาธิกันการฝึกสมาธิก็ต้องเจริญสติก่อน ถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้ผู้ที่นั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบแสดงว่าไม่มีสติสตินี้เป็นเหมือนเชือกส่วนใจนี้เป็นเหมือนลิงการที่เราจะจับลิงเข้าไปขังอยู่ในข้อในกรงได้เราไม่สามารถจับลิงได้ด้วยมือเปล่าต่อให้เราวิ่งไล่จับ ขนาดไหนก็จะไล่จับลิงไม่ได้เพราะลิงจะไวกว่าแต่ถ้าเรามีเชือกมาคล้องคอลิงไว้เราก็สามารถที่จะดึงลากลิงให้เข้าไปอยู่ในกรงได้เชือกนี้ก็คือสตินั่นเองส่วนใจก็คือลิงสมาธิก็คือการจับลิงเข้าไปขังไว้ในกรงพอลิงอยู่ในกรงมันก็ไปไหนมาไหนไม่ได้ มันก็จะต้องนั่งอยู่เฉยๆใจก็เหมือนกันถ้าใจมีสติคอยดึงให้เข้าสู่ความสงบใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ได้ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องเจริญก็คือสติก็คือเราต้องควบคุมใจของเราไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆด้วยการใช้อุบายของการเจริญสติ ให้ใจคิดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นให้คิดถึงคำว่าพุโทโธก็ให้ท่องพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ทำไปทั้งวันเลยไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดก็ให้คิดพุโทโธพุธโทโธไป ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเข้าใกล้ความสงบเข้าไปเรื่อยๆพอเรามีเวลาว่างจากภารกิจเราก็นั่งหลับตาแล้วก็ท่องพุทโธต่อไปถ้าใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบรวมตัวใจก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาขณะที่เป็นอุเบกขานี้ ใจก็จะมีความสุขอย่างยิ่งใจจะรู้ว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการสงบการเป็นอุเบกขาเพราะเป็นความสุขอย่างยิ่งพอออกมาจากสมาธิก็ต้องประคับประคองรักษาอุเบกขารักษาความสุขที่ได้จากความสงบนี้ด้วยการใช้ปัญญาส ก, กัดความอยากต่างๆ เช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอใจไปคิดอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความสงบก็จะกระเพื่อมใจก็จะกระเพื่อมขึ้นมาความสงบก็จะถูกลบกวนถ้าไม่รีบรักษาไม่รีบยุติความอยากต่อไปความอยากก็จะทำลายความสงบแล้วก็จะผลิตความทุกข์ต่างๆขึ้นมา ดังนั้นพอเราออกจากสมาธิมาแล้วเราจึงต้องใช้ปัญญาสอนใจสอนว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการ32สองถ้าเราสอนใจได้อย่างนี้ใจก็จะหยุดความอยากได้เมื่อเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราไปทุกข์แทนร่างกายทำไม ร่างกายเขาไม่หวาดกลัวต่อความแก่ความเจ็บความตายเลยเขาไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเลยแล้วเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไปทุกข์แทนร่างกายทำไมนี่แล้วก็จะเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเกิดความเห็นชอบว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ดับความกลัว เราก็ต้องหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็คือยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายนั่นเองมันจะแก่ร่างกายจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยมันเจ็บไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่หายก็อยู่กับมันไปถ้ามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเราไม่ได้เป็นร่างกายเราอยากไปกลัว เราไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายเราไม่ตายหลังจากร่างกายนี้ตายไปแล้วเราไม่ตายเราก็ยังอยู่ต่อไปอยู่โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายซึ่งดีกว่ามีร่างกายเพราะทุกครั้งที่มีร่างกายก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องทุกข์กับมันนี่แหละคือจิตของพระอริยเจ้า ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ท่านจะไม่ยึดติดท่านจะไม่อยากได้อะไรในโลกนี้ไม่อยากได้ลาภยศสารเสริมไม่อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโตไม่อยากร่ำอยากรวยไม่อยากมีอะไรเป็นอะไรทั้งนั้นขอให้อยู่เฉย ให้รู้อยู่อย่างเดียวก็พอแต่ไม่ได้เฉยแบบเฉ ย, ยเลยมีหน้าที่ที่พึงกระทําก็ทําไปมีตากใดที่ยังมีชีวิตอยู่ยังสามารถทำประโยชน์ให้แก่โลกได้ก็ทําไปเช่นพระพุทธเจ้าหลังจากที่ตัดสรตวแล้วก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยก็ยังทำประโยชน์ให้แก่โลกด้วยการเผยแผ่สั่งสอนอบรม สัพทธรรมะให้แก่สรรโลกวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมถึงสามั้งด้วยกันตอนบ่ายแสดงธรรมให้แก่ญาิโยตอนข้ามแสดงธรรมให้กับทุกสุสัมมณีตอนดึกแสดงธรรมให้แก่เทวดาและตอนก่อนจะออกบินตาบาก็ทรงเลงญาณว่าจะไปแสดงธรรมให้แก่ผู้ใด มีผู้ใดพร้อมที่จะรับธรรมหรือไม่ถ้ามีผู้ที่จะพร้อมจะรับธรรมก็จะส่งไปโปรดผู้นั้นก่อนเลยนี่คือภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติหลังจากที่ได้ทําใจของพระองค์ให้สงบให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้แนละ้วแต่เนื่องจากทรงมีพระความเมตตาจึงสงสารสำโลก จะเสลเวลาอีกส5ห้าปีแทนที่จะอยู่เฉยๆก็ใช้เวลานี้มาเผยแผ่ธรรมะช่วยเหลือสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นจากการเวรว่าตาเกิดเป็นจำนวนมากมีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เป็นจำนวนมากหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมเทศนาก่อนหน้านั้นไม่มีพระ อรหันแม้แต่รูปเดียวนี่คือพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าต่อสัตว์โลกผู้ใดมีศรัทธาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้น้อมนำเอาไปปฏิบัติแล้วผู้นั้นก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้พวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเรามีสิทเหมือนกับผู้อื่น มีสิทธิ์ที่จะบรรลุนักผลนิพพานได้อยู่ที่พวกเราจะนําออกไปปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นถ้าพวกเรายังติดอยู่กับลาบยศจระเซนติดอยู่กับทามสมทางตาหูจมูกนิ้วกายอยเราก็จะไม่มีวันที่จะบรรลุนักผลนิพพานได้เพราะผู้ที่จะบรรลุนักผลนิพพานได้จะต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ต้องปล่อยวางลาบยนสรรเสริมปล่อยวางความสุขทางตาหูจนูกนิ้วกาปล่อยวางร่างกายของตนเองและของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นบิดามารดาปุย่าตายาสามีภรรยาบุตรทีดาญาเสนมิสหายต้องปล่อยถ้าไม่อยากจะทุกข์กับความตายของเขา พอปล่อยแล้วก็จะไม่ทุกข์แต่ก็ไม่ได้ตัดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ยังมีความสัมพันธ์เหมือนเดิมอยู่ยังมีการพบปะกันมีการช่วยเหลือกันมีการดูแลกันอยู่ตามปกติเพียงแต่ว่าใจไม่ได้ไปยึดติดเท่านั้นเองใจพร้อมที่จะให้เขาแก่ให้เขาเจ็บให้เขาตายให้เขาจากเราไป เพราะใจไม่อยากจะทุกกับการพัดพลาคจากกันนั่นเองนี่คือธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังในขณะที่เรามาวัดกันแล้วเราก็จะได้รับอนิสงส์ต่างๆดังที่ได้แสดงไว้ถ้าเรามีภูมิมีศรรมีลมีสมาธิเราก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลย ถ้ายังไม่ได้บรรลุเราก็ต้องไปสร้างภูมิขึ้นมาต่อไปรักษาสี่งให้บริสุทธิ์ไปเจริญสมาธิทำใจให้สงบให้นิ่งเป็นอุเบกขาให้ได้พอได้แล้วพอออกมาจากสมาธิพอฟังธรรมทีนี้ก็จะบรรลุได้เลยยึงขอฝากเรื่องของการมาวันเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศล ด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมนี้ให้ท่านได้นำมาไปพิจิตรจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึนติวไวเพียงเท่านี้ ขอคุณพระสีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบงเพ็งกันในวันนี้จงเป็นเหตเป็นปัจจัยให้ทา่านไดแต่ความสุขและความเจริญแก้วข้ากอบภัยจากทุกไปอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ